ที่ชื่อว่าสตรีผูเ้เป็นโจรคือสตรีผู้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มีราคาห้ามาศหรือมากกว่าห้ามาศโดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักนี้ชื่อว่าสตรีผู้เป็นโจรที่ชื่อว่าต้องโทษประหารหมายถึงผู้ทําความผิดถึงโทษประหารชีวิต <S 2> <S 2> ที่ชื่อว่าเป็นที่รู้กันหมายถึงผู้คนเหล่าอื่นก็รู้ว่าผู้นี้ต้องโทษประหารชีวิตคําว่าไม่บอกให้ทราบคือไม่บอกที่ชื่อว่าพระราชาความว่า พระราชาทรงปกครองในที่ใดต้องขอพระบรรมราชาอนุญาตในถิ่นนั้นที่ชื่อว่าสงฆ์พระผู้มีพระภาคตรัสถึงภิกษุณีสงฆ์ต้องขออนุญาตภิกษุณีสงฆ์ที่ชื่อว่าคณะความว่าคณะปกครองในถิ่นใดต้องบอกคณะในถิ่นนั้นที่ชื่อว่าสมาคมความว่าสมาคมปกครองในถิ่นใดต้องบอกสมาคมในถิ่นนั้นที่ชื่อว่ากลุ่มชนความว่า กลุ่มชนปกครองในถิ่นใดต้องบอกกลุ่มชนในถิ่นนั้นคําว่าเว้นไว้แต่สตรีที่สมควรอธิบายว่ายกเว้นแต่สตรีผู้สมควรที่ชื่อว่าสตรีที่สมควรมีสองประเภทคือวงเล็บหนึ่งผู้ที่บวชในสำนักดีร์ถีวงเล็บสองผู้ที่บวชในสำนักภิกษุณีอื่นภิกษุณีคิดว่าเราจะบวชให้เว้นไว้แต่ผู้ที่ผ่านการบวชมาแล้วแล้วจึงเสวงหาคณะกรรมวาจาจารย์บารหรือจีวร หรือสมมุติสีมาต้องอบัตทุกกดจบยติต้องอบัตทุกออทกดจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัตทุลใจจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายอุปชาต้องอบัตสังคาทิเซคณะและอาจารย์ต้องอบัตทุกกด ค, คาว่าแม้ภิกษุณีนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทพเคียงภิกษุณีรูปก่อนคําว่าปัทมาปฏิกาคือต้องอบัตพร้อมกับการล่วงละเมิดโดยวัตถุไม่ต้องสวดสมรภาพคําว่านิสรณียาได้แก่ ทำให้ถูกขับออกจากหมู่คำว่าสังขาทิเศษความว่าสำหรับอาบัตินั้นสงเท่านั้นให้มานัดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสังคาธทิเศษ